มาถึงสุดทางเธอต้องล้างจากไหลใจมันหอยน้ำตาไม่สิน้นฉันนั่งกุมมือเธอเสียมให้ใจรวยรินเวลได้ยินเธอบอกอย่าร้องไห้ อยากให้ฉันเข้มแข็งอยากให้ฉันยัดยืนต้อมผอนเฟื้นต้องอยู่ให้ได้ให้ฉันมองความตื่นให้ฉันเริ่มต้นใหม่อยากกันไปฉากหน้าคอยเจอกันขอโทษใจที่ฉันไม่เชื่อ ชาครุฑไดไม่เห็นสําคัญเมื่อรักยาวนานเหงื่อเวีนนาเบื่อใจมันกลับค่าแล้วพอรักไปแล้วจะพอแค่รักเมือยไปผมไม่หลอกให้ถึงชดนาเบื่อใจมันกลับท่าแล้วก็รับไปแล้วแค่รักไม่พอ เป็นวิพิตจากฟ้าใค ร, รักเธอกอดเธอแนบกับใจกอดเธอไวเนินงานลอยให้ฉันคำควรละเมอสาบานวยนำตาขอรับเดียวแพ่เธอในชาติ ตนสิ้นลมหายใจ พวกแที่ฉันไม่เชื่อชาติภพใดไม่เห็นสำคัญเมื่อรับยาวนานหรือเวนนานเมื่อใจต้นกรับหนาวความรักไปแล้วจากพ่อแค่รับเพื่อใหไปผมไม่รอให้ถึงชาับหน้าน เมื่อใจมันรับเธอแล้วก็รักไปแล้วแค่งอกไม่โค่นเออปลาเป็นลิขิตจะปา่อ้รักเธอเมื่อใจมันรับเธอแล้วกอรักไปแล้วจะกอแค่รักเพื่ออ่ายผมไม่รอให้อธอจักนั้ เปือใจมันรับเธอแล้วก็รับไปแล้วแค่รับไม่พอเนื้อปลาเป็นลิขิตจากว่าไม่รับเด้ได้เลยใส่เขาได้